วันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นธรรมเนียมว่าควรจะได้มีการทบทวนดูว่าชีวิตของเราตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันมีอะไรที่น่ารังเกียจ ต, ตัวเองบ้างไหมมันมีอะไรที่เรารู้สึกขยะแยงต่อการกระทำของเรา ต่อคำพูดของเราต่อพฤติกรรมทางจิตใจของเราให้เราใช้สติวควบคุมจิตแล้วก็พิจารณาถึงสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขแล้วละ่ะตลอดปีที่ผ่านมานี้ไอเรื่องราวพวกนี้มันทำให้เราเนี่ยมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมาน มันเป็นปัญหามันมีสิ่งที่บีบคั้นจิตใจของเราถ้าหากว่าขืนปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่ในจิตใจของเรานี้ตลอดตายเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใช้โอกาสนี้ละเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราอุตส่าห์มาวัดแล้วมาวัดเนี่ยก็คือให้เราได้มีกำลังใจ ว่ามาพบครูบาอาจารย์มาอาศัยวัดเี่มาอาศัยที่มีพระสงฆ์มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันล้วนแล้วแต่มีเจตนาที่ดีงามอยู่ในจิตใจเมื่อมาแล้วก็เราก็มาเพื่อตั้งใจว่าเราจะได้แก้ไขตัวเองนั่นเองทุกคนที่มาก็หวังว่าปีใหม่นี้ จะได้สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตจิตใจของตัวเองได้สิ่งที่ดีงามให้ก่อเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องชำระสิ่งไม่ดีซะก่อนมันก็จะสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทันทีเลยสิ่งไม่ดีไม่ต้องไปทำมัน เกดดี ล, ละบาปคือไม่ทําบาปไม่ทําอกุศลไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคําสอนของเจ้าเป็นอย่างนี้ทุกพระองค์ด้วยนะไม่ใช่พระองค์เดียวนี้นะถ้าหากว่าเราอยากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็กเริ่มต้นตรงนี้เลยสํารวจดูอะไรบ้างที่มันไม่ดีที่เราเองก็รังเกียจหรือผู้รู้ก็รังเกียจเนี่ยเอามันเข้ามาเลยน่าขยะขแยงแล้วก็ลุงลังแล้วก็เป็นทุกข์ทรมาน บางทีเราก็รู้เลี่ยงไปเลี่ยงมาอาไลอาวรนนี่เเรียกอาไลอาไลนี่คือมันตัดไม่ขาดยินดีแล้วในอาไลพอใจในอาไลนี่ลมในอาไลนี่คือมันไม่ขาดมันอาไลของไม่ดีแท้แต่มันอาไลนะมันต้องอาศัยเนี่ยเวลาหรือบรรยากาศที่ดีงามเนี่ยโอ้สาเสียสละมาวัดแล้วต้องให้ได้ประโยชน์เนี่ย หรือว่าเอาคนเป็นปีเก่าแล้วอาศัยว่าวันสมมุติว่าส่งท้ายปีเก่านี้แล้วละมันจะทีนึ่งแต่ที่จริงก็ปีก่อนก็ปีเก่าเหมือนกันแหละแต่ปีนี้กูสามมาวันแล้วเอาให้มันจริงจังให้มันเด็ดขาดอย่าให้มันเกิดขึ้นได้อีกเอาอย่างนี้เลยนะก็สิ่งนี้เนี่ยทําแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเรามันทั้งเป็นบาปเป็นทั้งอกุศลทั้งเป็นโทษสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อน อุ่นไหวอยู่ในจิตใจเนี่ยถ้าหาว่าพระพุทธเจ้ายังอยู <c oughs> ่ท <picture> ่านจะถามเลยนะพอหรือยังเบื่อหน่ายหรือยังคลายวางหรือยังควรจะพ้นไปจากมันได้หรือยังนี่พระเจ้าถามอย่างนี้เอาพระเจ้าถามพระก็ถามอย่างนี้เหมือนกันนะพอพระเจ้าถามนู่นถามนี่ไปแล้วพระเจ้าก็สรุปควรจะเบื่อหน่ายหรือยังเนี่ยควรจะคลายวางหรือยังเนี่ยนี่ควรจะหลุดพ้นไปจากมันได้หรือยังนี่แหละเราใช้สติเนี่ย ครบทวนนี่คือทำความรู้จักกับตัวเองนั่นเองนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมอันนี้ปฏิบัติธรรมล้วก็นึกถึงแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้โหมีรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันประเสริฐเนี่ยแต่เราไม่รู้จะเอามาทำประโยชน์กับจิตใจเราได้ยังไงขาวนี้เอาเอาให้มันตรงเข้าไปหาจิตเราเลยให้มันเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยให้มันละออกไปให้ได้ไอสิ่งไม่ดีเนี่ยหยุดมัน ผู้เจ้าก็สอนแล้วเนี่ยธรรมะอันเนี้ยของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ในพระไตรปิฎกมันจะอยู่ในลึกลับอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าตรงไหนนะอยู่ในใจเรานี้เองนี่ถ้าหาว่าเราไม่ทําความไม่ดีนี่ยเราไม่ทําโดยเฉพาะไอ้ตัวที่มันน่ารังเกียจนั่นแหละพอกันนะสิ้นสุดกันเสียอทีไอสิ่ง น, นี้เบื่อหนายหรือยังนะคลายกําหนัดหรือยัง คลายความอะไรได้หรื อ, อยังควรจะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเราได้หรื อ, อยังพ้นไปจากมันได้หรื อ, อยังถามเองตอบเองเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนมาให้รู้ด้วยตัวเองอย่างนี้นะไม่ต้องไปเชื่อใครโอ้ไอันี้มันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานมันบีบคั้นมันทําให้ใจเราเศร้าหมองทําให้สร้างปัญหาให้แก่ตัวเราไม่มีวันจบสิ้นเวียนไปเวียนมา ถ้าจะมองเลยนวัฏตาสงสารก็นี่แหละมันเป็นวัฏตาสงสารพาเราไปเกิดในอบายภูมิได้ไอสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเราละอารมณ์พวกนั้นได้มันก็ละไม่ไปอบายภูมิได้เหมือนกันตัดออกไปจากจิตแล้วมันไม่มีอะไรพาไปแล้วทีนี้แต่ถ้ามันจะมาใหม่เรามีสติรู้ทันมันเราก็ละมันอย่างเดิมนี่นะทิ้งมันอย่างเดิมนี่ปล่อยวางมันอย่างเดิมนี่ไม่ทํามันอย่างเดิมนี่ มันก็ค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงไปนี่ชีวิตเราก็จะดีขึ้นอย่างนี้การมาวัดในวันส่งท้ายปีเก่าก็จะมีประโยชน์กับชีวิตเราทันทีเลยนะไม่ใช่มีประโยชน์ต่อพระพุทธเจ้านะไม่ใช่มีประโยชน์ต่อครูบาอาจารย์นะมีประโยชน์ต่อชีวิตเราเองเพราะชีวิตเรามันดีขึ้นด้วยการกระทำของเรา มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัในการดำเนินชีวิตทีนี้พอสารวจอย่างนี้แล้วตรวจสอบแล้วอะไรที่มันดีอ่ะนะจะต้องทำแล้วนาะทีนี้ควรทำก็ต้องพยายามทำสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายแต่ก็ทำตามกำลังนะไม่ใช่ว่าเออเราอยากทำความดีก็จะ เห็นเขาทำได้เราก็อยากจะทำบ้างเราก็ต้องดูข้อจํากัดของเราด้วยทำตามความพอดีทำตามฐานะของเราอันนี้แหละเป็นบุญจริงเป็นกุศลจริงถ้ามันทำเกินฐานะเกินสภาพของเราอะทำแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนเนี่ยมันไม่เป็นบุญนะไม่เป็นกุศลนะมันจะเป็นบาปตามมาด้วยเหมือนเรามีเงินสัก ร้อยหนึ่งอย่างนี้เราไปทำสมุดเลยไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้เดือดร้อนเราก็ทำตามฐานะของเราเออมีร้อยหนึ่งเราคำนวณดูแล้วเออมันพอดีกับเราสักสิบบาทก็ให้ไปตามความพอดีนั้นเหมาะสมคนหนึ่งเขามีร้านเขาให้แสนหนึ่งก็เป็นส่วนของเขาไปเราไม่ให้ใจเราไปดินน้นรน รู้จักฐานะของตัวเองรู้จักความพอดีของตัวเองภายนอกก็พอดีแล้วมันก็มาพอดีภายในเออทำแล้วสบายอกสบายใจลืลล่นเริงเบิกบานนี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาสิหรือเราไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีสิ่งของแต่ว่าเรามาวัดเราเห็นอะไรที่มันสกรปรกเราไปปัดกวาดเช็ดถุเก็บขยะเป็นบุญลดน้าต้นไม้ก็เป็นบุญ ช่วยเยเข้าของเป็นบุญเก็บนู่นเก็บนี่เป็นบุญเป็นความดีทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็ต้องทำด้วยจิตใจที่มันเป็นปกติด้วยรู้เข้าใจในการกระทำของตัวเองไม่ได้ทาไปงูหยกํกำลังเช็ดนู่นเช็ดนี่อยู่เอ้ไม่เห็นมาช่วยเราเลยดูซิไอ้คนนั้นก็นั่งทานอะไรอยู่สบายเหลือเกินรู้จะทาอะไรให้เป็นประโยชน์บ้าง ขณะที่ทำอยู่จิตเนี่ยมันเละออกไปว่าคนอนนะื่นแล้วตำาหน่งคนอื่นวิบากวิจารณ์คนอื่นอันนี้ก็ไม่เป็นบุญการกระทำใช่ภายนอกรู้ว่าทำประโยชน์แต่ว่าการกระทำนั้นไม่สามารถชําระจิตของตัวเองให้ดีได้เพราะบุญคือการชําระใจกุศลก็คือความฉลาดที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นนี่ละ่ะ ถ้าหากว่าเรารู้เป้าหมายของการมาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อจิตใจของเราทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันอดีตเนี่ยนะมันเจ็บปวดนะบางทีนะคือคือเราก็มีมันผ่านเข้ามาในชีวิตอะบางทีมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะเวลามันจะเกิดมันก็เกิดอะเราก็ไม่อยากให้มันเกิด เกิดมาแล้วมันก็เป็นปัญหามันก็บีบคั้นมันก็เสียดแทงมันเป็นทุกข์มันทรมานแล้วแล้วเราเจ็บปวดทีนี้ทํายังไงพระเจ้าสอนยังไงมันต้องตามตามตามดูหลักธรรมของุู้เจ้าให้ได้ให้มันเกิดประโยชน์แก่เราให้ได้พร้เจ้าสอนเลยว่าอดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนี่ยก็เอามาให้มันเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราถ้าเรื่อคุณคิดวนไปเวียนมาเนี่ยมันไม่ได้มันบั่นทอนจิตใจของเรา แสดงว่าจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นมันปัญญาของเราเนี่ยไม่รู้จักแก้ไขไม่รู้จักเอาประโยชน์จากมันไม่รู้จักสอนจิตเราให้คลายวางออกไปทั้งทั้งที่สิ่งนั้นมันเอาคืนไม่ได้แล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแล้วมันมันเกิดอะทํายังไงอาจจะเป็นวิบากกรรมของเราก็ได้เราเคยทําเขาเขาทําเราอเขาทําเราเราทําเขาวนไปเวนมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติแล้ว อย่าเรื่องของกรรมมันก็มีด้วยทีนี้เราจะเอาประโยชน์จากมันน่ะเราก็ต้องเอามาแก้ไขตัวเองนีืจะเอาว่าเอาเป็นเครื่องทดสอบใจเราแต่ก่อนนี้เราเคยหมกมุ่นคุณคิดในเรื่องนี้ทีนี้เรารู้เราเข้าใจแล้วสติเราดีขึ้นมาแล้วเรารู้วิธีรักษาใจเราแล้วจะดูซิว่ามันจะทันไหมอารมณ์ประเภทเนี้ยที่มันจะแป๊บเข้ามาหาจิตเราเนี้ยเราจะยับยั้งมันได้ไหมเราจะหยุดมันได้ไหมก็รู้แล้วมันเอาคืนไม่ได้ ก็เลยทาไปแล้วอ่ะจะว่าไม่ทําก็ไม่น่าจะโอ้ยน่าไม่น่าทําเลยน่าจะอย่างนั้นน่าอย่างนี้เขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันเป็นไปนแล้วคิดไปก็ไม่มีประโยชน์มันก็วนไปเวียนมาอยู่เงี้ยมันไม่รู้จบเพราะนั้นเราก็คิดให้มันจบสิทีนี้เอาเอาประโยชน์จากมันต่อไปนี้เนี่ยเราจะคอยตั้งสติดูมันว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่ทีนี้สติเราก็จะดีขึ้นมาแล้วนะที่นี่มันก็ไปสังเกตจิตตัวเองได้ทีนี่ อ๋อมันจะแว บ, บเข้ามาเมื่อไหร่หรือมันจะปืงไปเมื่อไหร่ถ้ามันเผลอไปก็อ๋อนี่เราเผลอแล้วไปตั้งสติใหม่อีกถ้ารู้ทันรู้ทันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่องนี้จะค่อยค่ยหมดกําลังลงอ่อนกําลังลงแล้วก็ดับไปนี่แหละเขาเรียกว่าสังวระะระทานสังวรคือระวังสํารวมระวังไม่ให้เรื่องนั้นมันเข้ามาหาจิตของเราสังวรระวัง หรือเรื่องใหม่ก็ตามที่มันกระทบกันประจำประจำอยู่ก็มีเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจกระทบปับ๊บมันก็ฟุบ่าเข้ามาในจิตเนี่ยสบายบ้างไม่สบายบ้างปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ๆก็มีถ้าเรารู้ทันมันก็ดับอี๋นะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยบางทีมันมีผลต่อจิตเราที่นั่นก็มีผลตามวิบากมันเป็นผลที่เป็นวิบากกรรมของเรามันเคยทํากรรมมา กรรมกรรมไม่ดีมันก็เจอแต่เหตุการณ์ไม่ดีทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเนี่ยมีคนหนึ่งโอ้ยคนนี้เจออุบัติเหตุทุกอาทิตย์เลยว่าเงินน ะ, นะไปเรียนหนังสือเยอะ็โมยกังนั้นบางเยอะรถมาชนยินไปดีๆจอดรถติดไฟแดงจอดรถเอาไว้โอทอไซด์วิ่งมาจากไหนก็ไม่รูไหลเข้าไปใต้ท้องรถอ่ ะ, ะเกาไปโดน น, นู่นนี่ เสียหายบ้างตัวเองก็ต้องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาเวลานี่เขาก็เรียนหนังสือด้วยนะก็วันจะสอบคื อ, คอเวลาจะไปเรียนเนี่ยวันหน้าตาเต็มมันก็จะมีหัวล้างข้างแตกมันเจอแต่อุบัติเหตุเจอแต่เรื่องราวบางทีเขาไปสายเพราะมันมีมันมีอุปสรรคมันมีอุบัติเหตุมากวันสุดท้ายเขาจะสอบเพาเรียนจบเขาเรียนเป็นญอนโทนะเพาเรียนจบจะไปสอบเนี่ยแหละ พี่อนิพนจะจบแล้ว น, นัดตอนเย็นมาจอดรถเจ้าขยะลงไปทิ้งนะไอ้พวกขโมยโจรมันไม่รู้มาจากไหนลุ่มจะมาเอามามาม า, ม า, มาอาอยุแย่งไอสมบัติของแก่แกก็ขัดขืนใครว่าต่อยเอาสิปากก็เจอหน้าตาก็บวมตื่นเช้ามาแทบจะไปสอบไม่ได้แต่มันจําเป็นต้องไปไปถึงหน้าตาก็บวมปูดปากก็เจออาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ อ, เ อ, เอไม่เป็นไระทานเสี้ยของนั้นนะ่ะ ก็ดีเหมือนกันเขาคุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วเขาเลยให้ฝันเขาสงสารเหมือนมันมันเจอจริงๆตอนหลังมาเนี่ยเขาก็ฝันนะฝันเขาฝันว่าไอ้ตอนนั้นเราก็ไปสอนที่สารธรรมนาะยคนนี้เขก็ฝันว่าให้ไปทําบุญนะมีอาจารย์มาที่นั่นแล้วก็ให้ไปทําบุญนะแต่ในฝันนะตื่นเช้ามาเขาก็จําความฝันขเขาเลยเขาไปทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้อัเนี้ย แ, แปลกเหมือนกันนะ่าเนี่ย จากนั้นมาอุบัติเหตุลดลงเขาว่าชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยในเรื่องของบุญเนี่ยมันมันก็มีผลอยู่นะบางทีทําแล้วก็อุทิศบุญไปเนี่ยพวกที่อยากได้บุญด้วยมันก็มีอันที่จริงก็เป็นนั่แหละญาติบางเจ้ากรรมนายเวรบ้างบางทีเจ้ากรรมนายเวรเกิดหรือญาตินั่นแหละทำไปกันไปทํากันมาส่งการความช่วยเหลือเขาเคยช่วยเหลือเราเราไม่ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็บนไปเวียนมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเอามาเป็นเครื่องมือสอนจิตเราทดสอบว่าตอนนี้สติเราดีขึ้นไหมให้สิ่งที่จะมันมาปรุงแต่งขึ้นในจิตเราเนี่ยเราทันมันไหมถ้ายังไม่ทันเราต้องพยายามสร้างสติให้ได้ทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีสติต้องมีการเจริญสติเมื่อย่งนั้นจิตเนี่ยมันจะไม่มีกาลังนะสตินี้มันเป็นตัวที่ไปะลึกรู้ เป็นตัวที่จะไปควบคุมจิตของเราเป็นตัวที่ทำให้จิตของเรามีคุณภาพเป็นตัวที่ทำให้จิตเรามีกำลังถ้ามีสติแล้วตัวอื่นจะตามมามีสติตัวสมาธิก็จะตามมาสัมปชัญญะตามมาปัญญาตามมาเนี่ยศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้หรือตามมาเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะสติมันดีแล้วเนี่ยมันผลของการปฏิบัติมันเกิดขึ้นจิตเราดีขึ้น ศรัทธามันก็น้อมดิ่งลงไปเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการตัดสรุของพระพุทธเจ้าประหารในความไม่เชื่อหมดไปเลยมี่เราศรัทธาที่มันหยั่งลงไปแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวเนี่ยศรัทธาที่เกิดจากการเห็นผลของการปฏิบัติมีกำลังมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราทบทวนนะ ถ้าหาว่ามีอะไรที่มันสร้างปัญหาให้จิตเราเนี่ยเราก็ต้องเอาประโยชน์จากมันเอาเป็นอย่นนับสติปัญญาของเราเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราเป็นบทเรียนชีวิตของเราเราต้องเอาประโยชน์จากมันให้ได้เป็นเครื่องวัดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ต่อจิตเราไหมเอาอย่างนี้เลยทีนี้มันก็จะได้สิ่งดีๆขึ้นมาสิทีนี้ คำสอนของพระเจ้าแต่ก่อนอยู่ในตำรับตำราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันก็เข้ามาอยู่ในตัวเราเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราทีนี้สติของเราก็จะเริ่มแล้วทีนี้ถ้าหากว่ารู้สึกว่าสติอ่อนเนี่ยมันจะตามไม่ทันจิตมันจะหลุดไปเพลินไปนานๆอย่างเงี้ยนั่นคือสติอ่อนเราต้องเพิ่มการเจริญสติการเจริญสติก็อาจจะบริกรรมก่อนก็ได้ทำให้จิตอยู่ บางคนก็พุโทโธพุธโทโธสัมมาอาลังบางคนก็ดูลมเข้ารู้ลมออกรู้บางคนก็พองหนอยุบหนออันนี้เป็นการที่จะให้สติมันมันต่อเนื่องให้สตินี้มีกําลังเพราะสตินี้มันจะทําหน้าที่รักษาจิตควบคุมจิตดูแลจิตและลึกรู้ให้จิตอยู่กับตัวเราถ้าหากว่าสตินี้มีกําลังขึ้นมามันจะควบคุมจิตได้ควบคุมจิตได้แล้วพอมั น, มนบางทีมันก็เป็นสมาธิ สมาธิที่แรกก็เอาสมาธิอ่อนๆก่อนนะสติอ่อนสมาธิก็อ่อนกําลังมันยังไม่รู้อะไรแต่ว่ามันสงบสังขารที่เคยปรุงแต่งจิตน่ยมันดับไปมันน้อยลงไปใจเราก็สงบขึ้นเมื่อมันสงบแล้วมันมีความเบิกบานมันมีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็มีความสุขอยู่ภายในใจก็สบายเป็นสมาธิง่าย ทีนี้ถ้าหาว่าสมาธิอันเนี้เราจะเล่นสติต่อไปต่อไปเนี่ยสตินี้กําลังมากขึ้นมากขึ้นจากสมาธิที่มันไม่รู้อะไรเนี่ยมันเริ่มมีความรู้ที่เรียกสัมปชัญญะมันมีความรู้เพิ่มขึ้นตัวโอ้โหเนี่ยถ้าจิตเราออกไปเนี่ยมันไม่สบายเลยนะเนี่ยมันแปลว่าเรื่องเอาเล่าเข้ามาแต่ถ้าอยู่เนี่เออสบา ย, ยก็อยากให้มันอยู่ก็พยายามปฏิบัติมีกําลังใจที่ปฏิบัติ นี่คือสัมปชัญญะทางนั้นมันทํางานก็ผลจากสตินั้นเลยบางทีเอ้ยพอมันสงบไปปั๊บพอมันหลุดไปไอุ๊ยโอ้โหเนี่ยพอหลุดไป่เราไม่สบายถ้าอยู่ตลอดนานๆคงสบายกว่านี้ความพยายามในจิตก็เพิ่มขึ้นนี่เป็นเรื่องของสัตบัญญัติทางนั้นมันจะรู้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทรําอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ควรให้จิตไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่จิตไปเกี่ยวข้องแล้วแหมมันไร้สาละมันเสียเวลา จิตเราก็ไปเอาเรื่องเอาเราเข้ามาทําให้เป็นทุกข์ไม่ให้มันไปเนี่ยมันจะควบคุมจิตมากขึ้นระวังมากขึ้นนี่คือผลจากการปฏิบัติพูดมาทั้งหมดนี่มันก็เป็นพูดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็เทียบได้สิ่งไม่ดีไม่ทําบาปอกุศลไม่ทําพยายามทำดีแล้วก็ชําระใจให้ขาวลอกก็เป็นทางดําเนินไปเพื่อให้จิตใจของเรา เขาวเป็นสาดคือมันชำระใจไปเรื่อยๆเพราะนั้นอดีตนี่ไม่ต้องกลัวมันหรอกไม่มีใครที่ไม่มีอดีตมันจะเจ็บปวดมันก็ผ่านมาแล้วมันจะวิเศษสวยสดงดงามขนาดไหนมันก็ผ่านมาแล้วมันเอาคืนไม่ได้หรอกยอมรับความจริงเปิดเผยความจริงกับตัวเองทําจิตใจของเราให้มีปัญญาขึ้นมาไม่ต้องไปหลงคุดคิดอยู่กับมันไม่ต้องให้มันมามีอิทธิพลตัวใจเราอีกเหมือนกับว่าเราเนี่ยยืึด อบขึ้นมาเลยสาภาพาเผยเรามีปัญญาแล้วเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ต่อเราแล้วเราไม่ให้มันมาบีบคั้นใจเราได้อีกถ้ามันมาอีกก็จะมีสติรู้มันอย่างน้อยมีสติแล้วทีนี้รู้มันแล้วมีคนหนึ่งเขามาเล่านะทุกทรมานมากแฟนอันนี้เป็นผู้ชายนะแฟนเขาก็ไปนี่แหละชจาะแจ้กคนนั้นคนนี้เขาก็รับเมื่อ มันคงยึดมากแนะหลยไอ้ความรักประเภทนี้มันเป็นความรักที่มันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ ห, ห่วงแหนมันเป็นของเราของเราพอเขาเบื่อหน่ายบ้างเขาไปเจอคนใหม่เขาถูก อ, อกถูกใจขึ้นมาเขาก็พอใจไปสนใจตัวเองกรทุกข์รมานเขาก็เคยบวชเนนอนะไรอ่งี้เขาก็เลยขึ้นไปอยู่ในวัดวัดนม่เีใครอยู่เลยนะไปอยู่คนเดียวในถ้าเลยนะเออเขจึงหาทางออกนะ เขามาเล่าให้ฟังที่นี่นะเขาบกร้องไงร้องให้อยู่คนเดียวข้าวปลากินไม่ลงแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งเขาว่าพอบรนทุกเนี่ยสติพยายามที่จะไม่ให้มันเข้ามาไอ้เรื่องนั้นนะร้องให้ไปทั้งสติร้องให้ไปตั้งสติไม่มันเข้ามาเรื่องเมียเขาน่ะเอากันอยู่เป็นสักอาทิตย์นึงเขาว่าเออเบาลงนะตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นฝึกมือฝึกจิตนะเนี่ยทุกทุกเนี่ยบางทีมันมันสอนเราได้ดีนะ ถ้าหาารู้วิธีรู้เครื่องมือเขาคนนี้เขาได้ประโยชน์คือมันมาเมื่อไหร่ตั้งสติตั้งสติเรียกว่าสู้กันเลยเบาลงเบาลงเบาลงแต่บางทีมันคิดได้นะโ อ, โ อ, โอ้ต้องขอบคุณนะเนี่ยเขาทําให้เราเนี่ยหันมาปฏิบัติธรรมสติเราดีขึ้นมาเออเห็นว่าเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดจากจิตของเรานี้เองที่มันไปยึดตัวเขาแล้กวกเข้ามาเป็นอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นในจิตในใจ นี่นะถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยโอ้เราก็คงหลงบุญเปียนไหวอยู่ในอยู่ในครอบครัวอยู่ในกับผู้หญิงคนเนี้ยแล้วเราก็คงไม่รู้ว่าจะทุกไปอีกนานเท่าไหร่เอาให้มันสิ้นสุดชาตินี้ละใครๆก็ให้มันขาดไปเขาก็อยู่มาเรื่อยเลยนะฮิมอยู่คนเดียวหาเงินหาอะไรใช้คนเดียวไม่เกี่ยวกับลูกกับเมียละลูกก็ปลให้เมียเอาไปเขาอยากมีคนใหม่ก็แล้วแต่บางทีก็ไปรับชาพระอ่า มันสบายใจไอไอ้ไอส่วนส่วนไอ้ธรรมะเนี่ยเขาก็พอเข้าใจที่นี่เพราะว่ามันมันเห็นมันเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของตัวเองอะเกิดขึ้นดับไปในจิตอะมันก็รู้วิธีขึ้นมาแล้วใจมันก็สบายขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งของเขานะนมันทําให้เขาเนี่ยต้องได้ต่อสู้ยิ้นลนเพื่อที่จะดับทุกข์ไในจิตใจ เพราะนั้นถ้าหาว่ามนมีปัญหามันมีทุกเกิดขึ้นต้องพยายามให้มันได้ประโยชน์อย่าให้มันเล่นงานเราข้างเดียวตั้งสตงิไม่ต้องไปฟูมไฟกับมันหละประกาศด้วยเรามีเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ทุกดับไปหมดแล้วทุกดับไปหรือกิเลสดับไป ก็อันเดียวกันนะห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกเป็นผู้หมดจดแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานไม่สามารถครอบงำใจได้แล้วหรือพ้นทุกก็อันเดียวกันนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีศาสดาผู้ที่สามารถดับทุกหมดจากพระไทยได้จากจิตใจได้เราเป็นสาวกของพระองค์ต้องทาได้ก็มีตัวย่่งเห็นชัดๆอยู่แล้วนี่นะในเมื่ออาจารย์ศาสดาของเราทาได้ เราสาวกก็ต้องทำได้ก็คือต้องพยายามมันต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองด้วยว่าเราต้องทำได้อย่างนี้ก็มีประโยชน์สิใจเราเข้มแข็งมีกำลังขึ้นมันลด้รู้วิธีด้วยรู้วิธีรับมือกับปัญหาทั้งหมดรู้วิธีรับมือกับความทุกข์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นกับใจเรานี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเพื่อให สาวกของพระองค์เนี่ยสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วดับทุกข์ให้กับจิตใจได้พอคนพูดถึงดับทุกข์เนี่ยแม่มันกลัวจริงๆเลยนะพูดถึงดับทุกข์พูดถึงพระนิพพานเนี่ยแม่กลัวคนนึกปับก๊บคนนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงสามีนึกถึงทรัพย์สมบัติไป ท, ทันทีเลยกลัวว่ามันจะหลุดพ้นไปไม่ต้องไปกลัวทุกข์ดับไปมันดับไปที่จิตแต่การเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมแล้วแต่ ข้าของเงินทองยังมีเหมือนเดิมแต่ความยึดมั่นถึงมันไม่มีในใจสิ่งเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลต่อใจเราเรามีอิสระจากมันอันไหนมันดีกว่ากันเกี่ยวข้องแบบเป็นอิสระควรทํายังไงก็ทำไปแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะหมดกิเลอง่ายๆนะพอพูดถึงนิพพานแล้วมันกลัวขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วพลอยทําให้ไม่อยากปฏิบัติก็มีไงมีจริงๆอันนี้เรื่องจริงเขาเคยมานั่งปฏิบัติ ด, ด้วยเสร็จแล้วก็ เกิดเห็นร่างกายขึ้นมานะพอเห็นร่างกายก็แทนที่จะดูอยู่กับอารมณ์อยู่กับปัจจุบันอันนั้นนะทำให้สติสัมปชัญญะมันดีขึ้นมาแล้วทำให้เกิดปัญญาที่หลังตามมาเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดขึ้นมาว่าอุ๊ยแย่แล้วถ้าหากว่าเราเบื่อหน่ายร่างกายเราเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยเราจะอยู่กับครอบครัวไม่ได้นะเนี่ยอย่าอยู่สิ ทรัสมบัติเราเนี่ยจะทํำยังไงดีเกิดความกลัวสติมันก็ขายออกสมาธิขายออกก็มาจรมาเล่าให้ฟังเราก็อธิบายว่าไม่ต้องกลัวหรอกมันมใช่ง่ายๆแต่ว่าการปฏิบัตินี่เราเรารู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสติเนี่ยมันพอมันมันรู้เรื่องราวของตัวเองอะ่ะมันรู้จักวิธีแก้ไขตัวเองรู้จักดับทุกข์ดับปัญหาให้กับใจตัวเองแล้วเนี่ยชีวิตมันดีขึ้น แต่การเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ยังเหมือนเดิมยังทนะําหน้าที่การงานเหมือนเดิมเราก็อธิบายให้ฟังหน่อยแต่ว่าชีวิตมันดีขึ้นจะเอาอยัางไงบางทีครอบครัวกับพวกอุลรู้วิธีเกี่ยวข้องกันสิ่งไหนจะเป็นปัญหาก็ไม่ไม่ทำสิ่งไห น, นไม่ควรพูดก็ไม่พูดมันก็เป็นผลดีต่อครอบครัวแล้วถ้าจิตใจมันสงบจิตใจมันระ ง, งับจิตใจมันดีแล้วเนี่ยกระแสะความเยือกเย็นมันก็มีด้วยมันก็ทําให้สงบทําให้เยือกเย็นทําให้สบาย เกี่ยวข้งกับลูกกสามีพัญญาอะไรมันก็ดีมีเป้าหมายก็คือต้องดับทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์มาจากไหนก็มาจากกิเลสในใจเรามาจากความอยากความต้องการของเราความอยากความต้องการเพราะอะไรเพราะมันมีความหลงผิดมีตัวมีตนทัดสาวเข้าไปนะมันหลงว่ามีตัวเรามีของเราทาอะไรก็เป็นเราทาอะไรก็เป็นเราทา เราทำดีก็เราทำเราทำไม่ดีก็เราทำสิ่งนั้นก็เข้ามาฝังอยู่ในจิตนี่แหละเก็บไว้ในจิตนะความหลงนี่มันถึงว่ามันถึงปรุงแต่งว่าดีบ่าไม่ดีบ่าใช้สงบว่าเป็นเราเนี่ยมันถึงเรียนว่าอัายได้เกิดนะเพราะไม่มีเราเข้าไปอยู่ในจิตเขาเรียกว่าเก็บไว้ในภวังคจิตหรือไว้ในวิญญาณมีอะไรไปเกิดหรือวิญญาณหรือนั้นไปเกิดทํำไมแล้วต้อมาเกิดก็เพราะมันมีตัวเราอยู่ในจิตนั้นในภวังคจิตนั้น ถ้มีเรามันก็ต้องมีการเกิดสิถ้าว่าเรารู้ทันนะว่าเราเราโกรธขึ้นมาเนี่ยใช่มันมันเรายังมีความโกรธแต่เราเห็นมันเราไม่ยึดว่ามันเป็นของเรามันก็ดับไปเสีเราก็ไม่ไปจมอยู่กับมันนะแต่ถ้าเราโกรธเนี่ยไปยึดเอามันแล้วก็โกรธไปกับมันเอาอันนี้ไปจมกับมันแล้วเนี่ยันมันก็ทําให้ตกอับายภูมิได้แต่ถ้าว่าเห็นมันมันเกิดดับไม่เอาียับหยาบแบบนี้มันลได้นี่แหละที่มันไป ไปสู่ความเป็นภาริยเจ้าจุมแลอารมณ์อารมณ์ที่มันมันระดับต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราละได้ทันละหยาบหยาบได้ดีเนี่ยจะเรียกว่าอ้าเบื้องต้นจะเรียกว่าเป็นเป็นจุลโสดาบันก็นนะเตรียมจะเป็นเมโสดาบันและโสดาบันน้อยๆเห็นอารมณ์นั้นโอ้มันดับไปเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยขายออกไปแล้วเบาลงไปเยอะแล้วถ้าเป็นพระโซดาบันมีโออารมณ์ที่จะทําให้ตกกบี่ภูมิทันละได้จริงเลย เห็นต๊ไม่เอาไม่ให้เข้ามาอยู่เป็นของเราไม่ยึดไว้เป็นของเรามันก็เบาลงไปแล้วความนังในสงสัยในพระพุะทธธรรมพระสงค์ไม่นั้งในสงสัยทันละได้้ความสงสัยประเภทนี้เนี่ยเบาจะไปรูปคําศีลแบบผิดประตูประสงค์ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เนี่ยท่านก็ไม่เอาพิธีกรรมต่างๆที่มันฟุ่งเฟือยที่มันเกินไปมีความจําเป็นทําด้วยความหลงแบบนั้นไม่เอาไม่ทําไม่เอามาัน มันคายออกไปหมดนี่เรื่องของจิตเราทั้งนั้นเลยนะจริงว่าเมื่อมาแล้วก็ให้มาสารวจดูจิตใจของเราว่าเออมันมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันลงลังที่มันเป็นปัญหาค้างคาอยู่ในจิตใจของเรามันน่าจะหลุดไปมันน่าจะดับไปมันน่าจะหมดไปมันไม่หมดสักทีหนึ่งเขาทำความเข้าใจให้มันดีแล้วก็ตั้งใจเลยตั้งสติถ้ามันจะมาอีกเราก็จะดูมัน เอาเหมือนกับว่าไอยโยมคนที่ว่านั้นเรื่องเมียเรื่องลูกเข้ามาอยู่เรื่อยร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดนักหนนะักแ่ทุกข์มากแกว่าจนอยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้เข้าไปอยู่ในถ้ำตายก็ร้องไห้แต่ว่าดีตรงที่ว่าร้องไห้ไปมันทุกข์มัมากเข้ามันเปมนไม่ไรู้จะทำยังไงผมจะดูมันว่ามันจะเข้ามาได้ยังไงสติก็เลยจับมันเลยดูมัน ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปนีแหละแกได้ที่จริงก็คือทางของพระพุทธเจ้าเลยคือมาเจริญสติในกาปรู้เท่าทนลานอารมณ์ถึงมันจะทําให้เป็นทุกข์ถ้าเป็นทั่วไปถ้าไม่มีเครื่องมือนะไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางของพระพุทธเจ้านี่ก็คือฟูมไฟล์ป้ายโทษเขาทําไมไปปันใจคนอื่นทาไมไม่รับผิดชอบทําไมเป็นอย่างนี้เคยพูดกันอย่างหนึ่งทำไมไปทําอีกอย่างหนึ่ง หรือ ว, ว่าเป็นเพราะเราทําอย่างนี้เหรอถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็คงจะดีนะโอ้ไปเรื่อยเลยนะไม่มีที่สิ้นสุดนะไอความปรุงแต่งภายในจิตเนี่ยช่วตั้งสติเลยเอาประโยชน์จากมันให้ได้เอาอย่างนี้เลยแล้วก็ตั้งใจเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่ว่านี้เหมอนไน้นๆมันจะปีใหม่แล้วนี่จากนี้ไปเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเราต่อจิตใจของเรามาทําดีกว่าไม่ต้องไปเสียเวลากับวันที่แก่กรรมคืออย่างนี้ แก่กรรมหมาว่าไอ้กรรมที่ไม่ดีเราเคยทํามาเราก็ตั้งใจไม่ทําอีกกรรมใหม่เนี่ยก็เป็นกรรมที่ดีเสีเป็นสิ่งที่เป็นกุศล เ, เป็นบุญยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของของค์เจ้ามันประเสริฐแล้วนี่ดีที่สุดแล้วแก่กรรมเรแก่อย่างนี้เสรียกปฏิกรรมไม่อไปแก่กรรมแล้วก็หาอาหารเอาไปไว้ที่ต้นไม้ให้วิญญาณอะไรมากินอันนั้นไม่ไม่เรียกว่าแก่กรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา ถ้าเรารู้วิธีแก้กรรมไม่ต้องไปสแกนกรรมไม่ต้องไปให้ใครดูว่าเราสร้างกรรมอะไรมานี่คือตั้งสติเลยให้เห็นหน้าหเห็นตามันมันจะเข้ามาเมื่อไหร่รู้ทันมันก็คือเราไม่ไปยึดมันถือมันมันไม่รับเอาเข้ามาเป็นตัวเราเป็นของเรามันเกิดแล้วก็ดับไปง่ายกว่าการรมเยอะเลยแล้วตั้งใจทําสิ่งที่ดีในไหนที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวนเป็นภัยไม่เอาอีกล่ะทําสิ่งที่ดีตามคําสอนของพระพุทเจ้า ทำบุญท ำ, ทำบุญส่วนทำบุลในความดีเอาถ้าจะมีเจ้ากรรมนายเวรมีผู้ต้องการบุญอยากอุทิศบุญได้เพราะมันมีวิธีขององเจ้าอยู่อุที่บุญไปได้นี่มันทําถูกต้องตามทางขององิ์เจาแล้วมันทําให้ชีวิตเราสบายทีนี้มันมีพระสูตรอยู่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาบุตที่ทําเป็นสูตรที่เกี่ยวกับทําให้เรามีปัญญาทํญญาให้ปัญญาของเรานี้จเจริญขา้าวนาแต่ปัญญาในความหมายของเราเป็นปัญญาที่จะดับทุกข์นะ ไม่ใช่ปัญญาไปธรรมะหากินธรรมะหากินนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะแต่ธรรมะหากินไปด้วยแล้วมีปัญญาของพระพุทธเจ้าตามคําสอนขพระเจ้าเข้าไปประกอบมันจะมีทําให้เรามีความสุขทางจิตใจทำการทํางานก็เป็นการปฏิบัติธรรมหมายห้อยอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเนินเป็นฐานะคราวาสอยากโยม เราจะอยู่บ้านก็เอาแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมข้าวก็ไม่ต้องไปหุมันละอาหารไม่ต้องทำํำออย่างนั้นมันไม่ได้ต้องมีมีหน้าที่การงานอยู่บ้านอยู่เดือนทําการทํางานแต่ว่าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นหลักในการดําเนินชีวิตด้วยคือมีสติแล้วก็พระเจ้าบอกว่าองค์ประกอบที่จะทําให้ปัญญาของเราจเจริญขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งสามารถบรรลุปัสสาดาบันได้คือท่านพูดเบื้องต้นก่อนคือในสมัยพระพุทธเจ้ามีญาิโยมเนี่ยของบ้านของเรือนอยู่นี่บรรลุปัสสาดาบันมากเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคือคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถปฏิบัติธรรมบรบรลุัสสาวะบานได้เนี่ยเรียกว่าความทุกข์มันน้อยลงไปทำให้สังคมเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบลงเย็น เดี๋ยวนี้เรานี่มันห่างไกลไปทุกทีแล้วถ้าพูดถึงพระโสดาบันพูดถึงพรายาบุคคลดูเหมือนว่ามันจะเป็ น, ปนไปได้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ถ้าในหมูมของผู้ปฏิบัติเป็นไปได้อย่างที่มาเนี่ยเออมาเล่าสภาวะอะไรให้ฟังเนี่ยใช่เนี่ยพระโสดาบันพระสกิทาคามีพานาคามีนี่เพราะอะไรก็คือมันละ สิ่งที่เป็นอกุศลในฉินนั่นหละได้คือสติมันทันแล้วมันมีปัญญามันประหารออกไปมันไม่ยึดเข้ามาเป็นตัวเราเป็นของเราใจรู้เบาลงไปเลื่อมคลายออกเนี่ยอุปทานคลายไปประหารกิเลสได้มันก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ แต่มันจะเป็นไปไม่ได้สําหรับผู้ไม่ปฏิบัติคือเอากิเลสนําหน้าทำตามความอยากความต้องการเราอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราฝืนเราเอาชนะมันเอาหลักของธรรมของอย่ำเป็นหลักในการดําเนินชีวิตในชีวิตของเราจะก้าวหน้าเป็นประเสริฐขึ้นเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่จะทําให้ปัญญาของเราธรรมะ ของเราเนี้มันจเจริญขึ้นมีสี่อย่างครับาบางทีท่านก็เรียกอันนี้ว่าเหตุที่จะทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลโสตาปฏิหยั่งคะ่ะโสตาโสตะนี้แปลว่ากระแสรหรือกระแสของวันิพานถ้าพูดมาถึงตรงนี้เข้าสู่กระแสวันิพานองค์ประกอบที่ทําให้ไปสู่วันิพานหรือข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุเป็นผู้เข้าสู่กระแสวันิพาน มีสี่อย่างอย่างที่หนึ่งครูจาบอกว่ า, วาสัพท์ปุ๋ยสังเสวะให้เสวนาให้ครบกับสัตตบุรุษก็คือผู้ที่หมดสิ้นกเิเลสหรือดับทุกภายในจิตใจของตัวเองได้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยเฉพาะถ้าพระเจ้ายังอยู่ไม้ทิ้งพระพุทเจ้าเลยถ้าพระเจ้าหาไม่แล้วก็ต้องมีคุณธรรมอย่างที่พระเจ้าสอนนี้ สัพปุลิสังเสวะให้เสวนากับสัพปุลิสัพพบุลษหรือสัต บ, บุลุหมายถึงผู้ที่หมดสิ้นกิเลสดับทุกภายในจิตใจได้สงบจากกิเลสดับทุกภายในจิตใจเมื่อครบแล้วเขาใกล้แล้วสัทธธรรมสวนะให้ฟังพระสัทธรรมฟังธรรมะก็คือธรรมะอันเป็นทางที่จะดับทุกภายในจิตใจนั่นแหละอย่างเช่นมาฟังวันนี้ ก็มาฟังทางที่จะทำให้มันดับทุกไปจะมีสติรู้ฐานจิตใจของเราอารมณ์อะไรที่มันเคยกุ้มลุมจิตใจสติไปกั้นไว้มันเข้ามาไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงแล้วมันก็ดับไปเราเห็นมันเกิดดับเราไม่ยึดมันอีกต่อไปแล้วพอยึดเมื่อไหร่มันบีบคั้นใจเราทุกทีทุกทีหน้าเบื่อหนายเนี่ยไม่เอาแล้วใจมันก็ละขายออก จิตมันก็เป็นเองก็ขมักขมน่นพยายามที่จะกั้นไว้กั้นอารมณ์ไว้เนี่ยมันก็เป็นอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาต่อไปก็มีกำลังขึ้นมาปะหารในความฟุ้งซ่านในอาการที่จิตจะเล็ดลอดเอาไว้ไม่ให้ไปนะมันมีกำลังขึ้นมาเองได้แต่ตอนแรกนี้มันยากหน่อยเพราะว่ามันสติเรายังอ่อนกำลังเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติใหม่ๆอย่างเนี้ยเนื้อจิตหลุดไปทางโนนทางนี้มันบางทีมันน่าเบื่อหน่ายด้วย แต่ว่าถ้าว่าเรามีความศรัทธา ม, มีความเลื่อมใสมีความตั้งอกตั้งใจมีความเพียรพยายามมันก็ต้องดีขึ้นจนได้เราก็จะได้ที่พื้นทานเมื่อฟังแล้วท่านบอกว่าให้ยมีโยนิโสมนัสิการหมายว่าใส่ใจให้ถูกต้องทําให้มันเข้าใจถูกต้องก็คือถูกต้องให้มันเป็นไปเพื่อที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจถูกตรงขึ้นมาเป็นสมาทิฏฐิ มันต้องมีความเข้าใจถูกต้องเสียก่อนนะถ้าปฏิบัติแล้วเข้าใจไม่ถูกต้องบางทีมันก็ไม่ได้ผลนะบางทีมีความเพียนเพียนก็เพียนจะเอาอย่างเดียวอะ่ะครูเยาว์บอกเพียนนะเพียนแต่ว่าให้เพียนสร้างเหตุนะส่วนผลแล้วแต่นะสงบก็เอาไม่สงบก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ดีก็มีสติรู้ว่ามันไม่ดีมันดีก็มีสติรู้ว่ามันดีให้ใจเราเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะอันนั้นเพียแค่ผลขอให้เราได้ปฏิบัติ อย่างี้ง่ายนะสบายๆเลยนะ อ, อะไรจะเกิดขึ้นมาเลยที่นี่เราก็แค่รู้อ่ะมีสติรู้อ๋ออันนี้ไม่ดีแทนที่เราจะไปกังวลว่าทำไมันไม่ดีทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นในตัวเราอ่ะเราบอกเออแล้วแต่อันนั้นเป็นผลเป็นสภาวธรรมเรามีสติก็ใช้ได้เราได้ปฏิบัติแล้วพอใจแล้วที่เราได้มาปฏิบัติยิ่งเป็นช่วง ส่งท้ายปีเก่าตอ้อบปีใหม่ปีนี้โอ้หเราได้มามาวัดเนี่ยมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเป็นสิ่ิดีมงคลแก่ชีวิตเราให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามกระตุ้นเตือนให้เราทำสิ่งที่ดีงามตลอดปีที่จะเข้ามาเนี้ยจิตใจมันมั น, ม, นมันก็ดีขึ้นมาได้ใส่ใจถูกต้องหรือบางทีก็เชื่อมันในคาสอนของมูทยานั่นแหละเธอมันเกิดแล้วมันต้องดับ มันไม่มีอะไรเป็นเราของเราจริงเนอะ่ะเห็นด้วยใส่ใจถูกต้องชีวิตเราสุดท้ายมันก็ดับสลายไปเป็นเราเชื่อเข้าเฉยๆถ้าไม่คิดได้มันจะเบาลงเลยนะบางทีเออคนนั้นทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเขาว่าเราเขาแ ก, แกงเราเขาก็ตายเราก็ตายตายไปแล้วก็แล้วแต่กรรมสิอี่ยงเขาก็ไปตามกรรมของเขาเราก็ไปตามกรรมของเราถ้าเราทําดีเราก็ไปดีเข า, เาทํากรรมไม่ดีเขาไปไม่ดีเขาไปนรกเราก็ไม่ได้ไปด้วย เขาไปสวรรค์เราก็ไม่ได้ไปด้วยก็เราก็อยู่กับตัวเราดีกว่ามันใส่ใจถูกต้องมันจะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางไม่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเนมื่อใส่ใจถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำมานุธรรมปฏิปติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือให้ธรรมะเนี่ยมันสอดคล้องกับความจริงสอดคล้องกับความจริงก็คือว่าก็มีสติเห็นมันเกิดดับ เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันเป็นแค่สภาวธรรมมันไม่มีเราอยู่ในนั้นที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมีเรานะอันนี้เกิดขึ้นก็มีเราเข้าไปแล้วเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เนี่ยมันเข้าไปยึดแล้วถ้าว่าเรารู้ทันมันเนี่ยความเป็นเราจะไม่มีเลยนะมันตรงนั้นก็เป็นแค่สภาวธรรมเฉยหรือมันมันมีมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเรายึดมันแล้วเรารู้ทันเมื่อไหร่มันก็จะดับไปอย่างน้อยก็ยังโอรู้ว่ามันดับไปมันไม่ถึงกับว่า เล่นงานเราตลอดเวลาร้อยเปอร์เซนต์มันเนี้มีช่วงดับไปน้อยลงไปลดลงไปทีหละปฏิบัติเนี่ยให้มันสอดคล้องกับอนิพานนั่นแหละสอดคล้องกับความดับทุกสอดคล้องกับความไม่มีกิเลสเป็นกุศลไม่ใช่อากุศลถ้ามีสี่ข้อเนี้ยมันจะเป็นทางที่จะทําให้บรรลุสวรรค์ก็คืออริยมรรคมีองแปดนั่นเองก็คือทางสายกลางนั่นเองคือเราไม่เอาอากุศลไม่เอาไปทางนู้นทางนี้ไม่เอาให้จิตเราเป็นกลางกลางไว้ มีสติรักษาจิตให้เป็นกลางไว้อย่างที่ทาจะสวดไอ้ไอ้ธรรมจักอะไรนั่นก็คือนี่แหละทางสายกลางเนี่ยที่พระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยทางสายกลางเนี่ย พ, พระองค์แสดงธรรมแล้วพระัญญาคุณปัญญาเนี่ยบรรลุปเป็นปสุตดั้บันต่อมาก็องค์อื่นๆตามมาเนี่ยไอ้ไอ้การ น, นี้แหละเนี่ยหมายว่าพูดถึงทางสายกลางเนี่ยว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่มันไอ้จิตเราไปยึดไปจิตไปค้องอ่ะอย่าให้จิตตาอย่าไปเอาเข้ามา เป็นการมสุขแนละ้วการมสุขคำนิการุโยกเป็นไปเพื่อประกอบทำให้เกิดความลุ่มหลงไปในทางสุขมันเป็นฮีโนไม่ดีคำโมเป็นของชาวบ้านค น, มนไม่ได้ปฏิบัติดนเรื่องโอโทชนิโกเป็นของอันทับูุถุชนคือคนน่ะคนมืดบอดมืดมนกับการยนะผูุถุชนก็เป็นคนดีขึ้นมาแต่ก็ยังมีความลุ่มหลงอยู่ อนัตติโยไม่เป็นไปด้วยความเป็นอริยะอนัตถสัมตตมิโตไม่ประโยชน์ไม่จะโทษนะก็คือนี่แหละก็ปล่อยจิตให้มันไปเพลินไปกับอารมณ์จะเอาโน่นเอานี่อย่างนั้นอย่างนี้ให้ทันมันให้มันอยู่ตรงกลางให้มันเป็นกลางอย่าไปพูงแต่งนั้นตัวนี้ไงแล้วมาบังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้บังคับให้มันสงบบังคับไม่เอากิเลสก็จะบังคับเอาอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่ปล่อย ไม่ปล่อยอยงน เ, น, เนเป็นอัตตาเรีนาฐานโยโคโคเป็นทุกข์อนลโยไม่เป็นไปด้วยความเป็นภรรยาเจ้าอนานาตสัญโตไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไปด้วยความดับทุกข์เพิ่มทุกข์ด้วย น, ะนี่นี่ก็คืออันเดียวกันก็เรื่องจิตทั้งนั้นเลยนะเนี่ย แต่ถ้าเป็นกลางๆนี่นี่แหละก็คื อ, อยมมรรคยงแปรแต่พูดในแง่ของการปฏิบัติเราพูดเรื่องสติมากเลสัมมาสติสติชอบที่แรกมันเป็นสติธรรมดามันยังไม่มีกําลังอะไรก็มันยังไม่เป็นสัมมาสติหรอกเพราะมันไม่ไม่เป็นไปเพื่อวดับทุกข์เป็นใช่ว่าเออพอายามีสติให้มารักษาใจเราซะก่อนพอสติมีกําลังขึ้นมาแล้วทีนี้มันเริ่มเป็นสัมมาสติแล้ว มันจะควบคุมจิตเราให้อยู่ให้เป็นกลางไม่ให้ไปทางยินดีไม่ให้ไปทางยินร้ายไม่ปรุงแต่งไม่สร้างเรื่องสร้างเราไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองมีทางสายกลางคืออย่มักดิง้งแปลอันเดียวกันถ้ามันมีกำลังพอเนี่ยสติคุมจิตได้ร้อยเอร์เซ็นเลยชั่วขณะนั้นนะนี่แหละนี่แหละที่มันจะสมบูรณ์มักจะสมบูรณ์เนี่ย มันจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาเลยจิตจะไม่เล่นหลอดไปไหนความฟุ้งซ่านถูกต่อหานไปได้เขาชึงเรียกว่าสัมมาส ม, มาธิเป็นส ม, มาส ม, มาธิตรงนี้สัมมาวายามะก็คือมีความเพียรชอบก็คือความเพียรอย่างเนี้ยเห็นอะไรทีนี้มันโอ้โหเห็นด้วยจิตเลยนะทีนี้เกิดดับเลยเปลี่ยนแปไม่ใช่เราของเราแล้วแต่ยานตรงนั้นจะเกิดขึ้นนี่แหะเขาเรียกว่าปัญญาญาณตรงนี้วิปัสสนาญาณก็คือตรงนี้ ที่เห็นว่าโออมันเกิดขึ้นดับไปตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตดูธรรมเดี๋ยวมันดับไปอ่าแต่มันยังดับหลังๆนะอันนี้เห็นปั๊บดับไปดับไปจากจิตเราเนี่ยจากนั้นในจิตเนี่ยมันเหมือนมีปรากฏการณ์ว่ามันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงว่าไม่ใช่เราอยู่ในจิตเลยนี่คือญาณแท้ทาบริบวรณสมุนไพร้ยป ร, ร์็ต์านคิดเลดได้เลยเป็นวโสดาวันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นที่จิตนะ เกิดขึ้นสําหรับในจิตของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันอยู่กับพระเจ้านะมัสมผลนิพพานะมันอยู่ในจิตของผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ต่างเดินตามทางของพระองค์ทางสายกลางหรืออรอยิยมรรคปยองแปดทนี้จิตมันก็เห็นเนี่ยมันเห็นเกิดดับ ม, มันจะไปยึดอะไรทีนี้อะไรเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปความคิดถือดับไปกายอาการทางร่างกายอะไรก็ดับไปไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเป็นสภาวธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น มันทะลุเข้าไปในจิตเห็นด้วยจิตรู้ด้วยจิตทั้งรู้ทั้งเห็นในจิตไม่ผ่านความคิดหรอกต่อไปจิตมันก็คายวางคายออกมันจะเบาเน้นที่นี่ละสังโยดลได้สามอย่างเนี่ยทีวีเวลาเวลาท่านจะพูดถึงว่โสดารวานันละสังโยดลได้สามอย่างระสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายกับใจเป็นเราเป็นของเราแล้วว่าความคิดเกิดขึ้นเนี่ยท่านเคยเราเคยยดึดส่วคนก็เคยยดึดโอ้ยเนี่ย มันเดือดร้อนมันดีบมันคันปรุงแต่งเป็นวุ่นวายที่หยาบๆยาบหน่อยน่ะเห็นปั๊บท่านไม่ยึดไม่ยึมกระดับของมันเองมันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะทำให้ลงรบายภูมิหายหมดเลยไม่มีทางเลยเพราะไม่เอาแล้วจิตไม่ยึดแล้วเห็นละความยึดมั่นถึงมันละความหลงผิดไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราท่นี้งวันละสัจยะที่ยีได้ความเห็นผิด ที่ว่าปรากฏการ์ไอๆหยาบๆรุนแรงว่าเป็นเราเป็นของเรามันดับไปมันไม่เป็นเราเห็นขั้นห้านี่แหละที่หลงผิดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ในรายละเอียดมันยังอยู่นะคือในเรื่องในรายของมานนะในเรื่องของความเห็นเนี่ยมันยังมีเราอยู่ในนั้นเราวิจารณาได้จะสงสัยคําสอนของพระเจ้าเนีว่าจริงไหมพระเจ้ากัสสรูเนี่ยว่าดับทุกได้จริงไหมไม่สงสัยเลยเพราะมันเบาไปในจิตของตัวเอง เ, เห็นผลขึ้นมาในจิต ข้ามผลความสงสัยจะจะให้รูกคำศีลศีลน์ที่จะไปลูกคำผิดไปจากให้มันมันเจตนาที่จะได้ผลดีให้ผลให้ตามเป็นจริงก็ไม่ได้มันมันเป็นศีลอยู่ในใจเลยนะที่นี่นนท่านถึงว่าถึ ง, ถ, ง, ถ, งถึงพูดถึงพูดถึงเหตุที่จะทําให้เป็นพระโสดาบันบุคคลโสตาปฏิกังค้าเหตุที่จะทําให้เป็นพระโสดาบันหรือผล ที่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นมโซดาบังก็ได้อย่างมีสี่อย่างเหมือนกันสี่อย่างอันแรกก็คือว่าอันที่หนึ่งต้องเข้าใกล้สัพพบุตรผู้ที่หมดสิญญาสมัครดจบอกทางเราได้ถูกต้องแล้วก็ฟังธรรมฟังคำสอนแล้วใส่ใจให้ถูกต้องให้เข้าใจให้มันมาเป็นหลักขึ้นที่จิตใจของตัวเองแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติให้มันจริงตามไปคอยตามไปเรื่อย เจนมันมีกําลังมากขึ้นอริยมรรคมีองค์แปดสมบูรณ์ขึ้นมานโสตานี่คือเข้ากระแสอริยมรรคมีองค์แปดก็ได้หรือกระแสพันิพานก็ได้อี่าพูดในเมื่อเหตุเหตุที่จะทําให้เป็นมุสอนาบาลเรียกว่าโสตาปฏิกำคะแต่โสตาปฏิกำคะในแง่ผลถ้าบรรลุมุสอนาบันบุคคลแล้วเนี่ยจะมีความเลื่อนใสในพระบุตรเจ้าอย่างลงไปชนิดไม่หวั่นไหวเลยในพระธรรมก็ไม่หวั่นไหวในพระ สงก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันเห็นขึ้นในจิตใจแล้วศีลของท่านเนี่ยจะเป็นที่พอใจของพระเยซูเจ้าในนั้นอธิบายไว้ว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระวิงวอนชนมีพระเจ้าเป็นต้นสรนเสริญไม่มีความยึดมั่นถือม่แล้วก็เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานนี่คือพระโสดาบันหรือว่ามันมีอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยมีความเลื่องใส ในพุทธิย่อหลังอย่างลงไปชนิดไม่หวั่นไหวพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวแล้วก็สามารถละความตนีได้ไม่หูไม่เห็นพร้อมที่จะบริจาคถ้ามีเหตุผลเพียงพอแล้วการรู้นี่รู้ด้วยจิตในนั้นจะกคุกกรณียาอะไรเนี่ยนั่นก็คือเป็นการบอกให้รู้ต้องเห็นด้วยจิตเห็นด้วยจิตรู้ด้วยจิตคือญาณไม่มีคําพูดจะมีคําพูดก็เป็นคําพูดในจิต คามจิมันพูดได้นะมันพูดขึ้นมาเองแต่บางทีบางคนก็ไม่พูดเห็นเฉยๆบางคนพูดเลยเออนั่นพอยานของโซดาบานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอไ อ, อ, อ้มรคยานภรรยานเนี่ยมันหมดกําลังลงไปเนี่ยคราวนี้เหมือนไม่รู้อะไรเหมือนกันต้องมาปฏิบัติใหม่ปฏิบัติอีกจะเป็นพรโซดาบันนี่ปิดประตูไว้พยาพาลอมายภูมิได้เกิดอีกไม่เกินจิตใจอาจจะ หกชาติห้าชาติสี่ชาติสามชาติหรือหนึ่งชาติก็ได้หรือถ้าหาว่าเราเพียนตั้งหกตั้งใจจริงจังก็สามารถหลุดพ้นในชาตินั้นมีพระโสดาบันเป็นอย่างนี้ไม่ถอยคอขาดขาดไปเลยทัานจะปฏิบัติเอาให้พ้นทุกให้มันได้พระโสดาบันก็ทําได้ปฏิาบัติได้ตัวไปภาษีตาขามีก็ปฏิบัติเหมือนกันอย่างเดิมก็ปฏิบมาไงก็าาปฏิบไปอย่างนั้นทำบารรลุทาําอีกเกิอดอีกไม่เกินนึชาติละสังโยนสามอย่างแต่ โลภะโทสะโมหะเบาบางเบาบางในที่นี้คือท่านไม่ยึดอารมณ์ที่มันหยาบที่มันเป็นทุกข์ออกไปได้เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปห้ามมันนะบางทีมันก็เกิดขึ้นนะเอ้ยมันอยากเอานั้นเอานี่แต่ท่านเห็นปั๊บเนี่ยมันดับไปไม่ไม่จะไม่ทําตามมันก็ได้แต่บางอย่างก็ยังทําตามอยู่หมายว่าในส่วนละเอียดนะเนี่ยหมายว่าอย่างนี้นะหมายถึงมองอีกแน่หนึ่งก็คือว่ามันไปยึดอารมณ์โลภะโทสะโมหะเบาบางก็คือเราไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรที่มัน หยิบขั้นใจเราถ้ามีสติดีเราไม่ยึดมันม่วงปิดเราของเรามันจะดับขอมันเองถ้าเราไปยึดมันมันไม่ดับนะปูงแตงเรื่อยไปวนไปเวียนมาเขาอาจะพูดอย่างนี้ไม่น่าพูดอย่างนี้เราก็ตอบไปอย่างนี้เขามามาว่าว่ า, วามาอย่างนี้น่าจะพูดอย่างนี้เนี่ยคือปูงแตงทาง้าพระเจ้านี่ต้องหยุดปูงแตงเป็นกลางจึงจะเป็นอริยมรรคเป็นทางสายกลางแล้วเลลวลาเรารู้ที่ที่ที่บอกว่าเออเห็นเห็นเห็นว่ามันเกิดดับนี่นเราคือเห็นอริยสัจสี่นะ คือพจิตเราตั้งมั่นเนี่ยมันเป็มที่เนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยมันมีน้ำหนักมันหนักหน่งห่วงขึ้นในจิตแล้วสภาวะอันหนึ่งมันจะบอกให้รู้ว่านี่อันนี้ดับเกิดดับเนี่ยมันบอกอย่างนี้ไหมว่าอย่างนี้เมื่อว่าอะไรมันแตะเข้ามาที่จิตเราทําให้จิตเรามีน้ําหนักมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นภพขึ้นมาเนี่ยมันยานตัวนี้มันก็จะบอกนี่มันเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องของสภาวะธรรมนี่เรื่องทุกข์ก็ดับไปทุกข์ด เหตุเองทุกข์ก็คือนี่ยมันหลงผิดหรือมันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ะแต่ถ้ามองในนี้สภาวธรรมมันก็คือว่าความหลงผิดที่อยู่ในจิตของเราเลยเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยทําให้เราเป็นทุกข์ถ้ามันเห็นว่ามันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเสียมันคลายวางออกไปทุกข์กระดับเพราะฉะนั้นทุกข์นี่ยท่านถึงว่านี่คือทุกข์ครูใหญ่สอนอย่างนี้นะคือมันมีน้ําหนักในจิตแล้วปรุงแต่งในจิตแล้วเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ กำหนดรู้ชัดเจนแล้วทุกดับเหตุมันก็คือนี่แหละตัวไม่รู้วตัวอยากตัวตัณหาก็แล้วแต่มันชัดเจนแล้วมันทุกดับเนี่ยเป็นนิโรธนิโรธาโลธาก็คือทุกสิ่งที่คุมขังจิตเราสิ่งที่ค้องําจิตเรานิโรธก็คือไม่มีทุกหรือทุกดับปัญหาดับทางที่จะทำให้ทุกดับก็คือเดีย ม, มัคคุเทศคือทางสายกลางมันก็เวียนมาหาคําสอนอยาเหมือนเดิม ก็คือสติปัฏฐานสี่เวลาเจริญเริ่มด้วยสติปัฏฐานสีทั้งนั้นนอกไปจากนี้ไม่มีทีนี้มันก็แตกออกไปโพธิปัจฉียธรรมสามสี่เจ็ดประการโพชฌงเจ็ดอินทรีห้าพละห้าอธิบาท 4, สี่สัมมาปัฏฐานสี่นี่แต่คะแนนก็อย่างนี้หมดเลยสีสมาธิปัญญาก็คือตรงนี้จิตปกติจิตเ ป, ป็นสมาธิทําทปฏิบัติอีกพระสิกขาธรมีเคยอีกชาติเดียวแต่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวราเท่านั้น ประเด็นว่ไปอีกคานีมันจะตามดูไว้ไอ้เนี่ยเป็นความตัวอย่างความต้องการของเราในทางตามว่างหูว่างจมูกลิ้นกายใจที่มันอาศัยร่างกายไปเสพเฉไวสิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ยมันเริ่มละเอียดเข้าไปแล้วทีเพราะส่วนห ย, ยาบๆมันละไปแล้วมันมันเหลือส่วนละเอียดทีนี้จะกินจะอยู่เนี่ยท่านจะสํารวมากขึ้นคอยสํารวจคอยระวังมีน้ําหนักขึ้นในจิตหรือเปล่ลามีตัวตนออกไปเกี่ยวข้องหรือเปล่ลาพยายามรักษาเป็นกรางไว้ไม่ปรุงแต่งมาก บันทีก็ไม่ทันเอาไปแล้วมันก็จะเอาใหม่แนละ้วทีนี้เขาไม่ยอยากเอาใช่ไหมมันนี่นี่คือมันมันเริ่มตามเข้ามาละเอียดขึ้นแนละ้วมันไม่ถอยแล้วทีนี้ตามไปตามไปสุดท้ายมันก็ไปตั้งมั่นอีกที่นึงทายวางออกทีนี้เรื่องร่างกายหมดห่วงเลยนะทำความเข้าใจแล้วๆกภายนอกภายในอันนี้พูดรวบลัดแล้วนะพอบางครั้งก็พูดพูดรายละเอียดมาแล้วคือมันจะ อาศัยร่างกายเพื่อที่จะมาเสพสวยสุขเวทนามันรู้เท่าทันลดลงไปที่แปะหักขเลได้กันโละกามมูลค่าได้ม้เงจากการที่มันจะไปเอารูกรถขิ่เสียงสมบัติเข้ามาอะมันสบายขึ้นเบาขึ้นที น, นี้ปฏิฆะทิปไปไม่ได้มาแล้วมันเป็นปฏิฆามก็ดับไปด้วยกันนี่นี่ละสังยุตได้อีกสองเป็นปานาคามีเพราะฉะนั้นพอปานาคามีป๊กนเรื่องร่างกายเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีความหมายแล จ็บใครได้ดป่วยโอ้ดึงร่างกายควรไปหาหมอเข้าไปแต่ภายในจิต ท, ท, ท, ที่นี้มันยังมีตัวตนยู่มีตัวลองอยู่อยากใช้ร่างกายใช้รูปเนี่ยไปให้เกิดความสงบปฏิบัติไปแล้วมันก็สงบสบายลงไปตามดูลมไปเข้าไปาพักอยู่ข้างในคือมันไม่มาให้มันรู้ความจริงสูงสุดอ่ะ ม, มันยังมันยังมีมีเระเนื่องจากว่ามันละสิ่งหยากหยาบไปแล้วเหลือรายละเอียดในจิตก็ละเอียดลงไปมันก็ไป ทักอยู่ในนั้นแหะเนี่ยมันก็ไม่ออกมามามามาเกิดความรู้ความเข้าใจไม่เกิดสติปัญญาท่นทานเรียกว่าติดเรียกว่ารูปราคะะเป็นสิ่งที่ยังรับไม่ได้จิต ย, ยังยึดยังติดยังคล้องอรูปราคะก็อาศัยอาลูสิ่งที่ไม่มีมรูปก็เป็นอารมณประชานอาประชานอารมณ์ประชานอันนี้ไม่พูดรายละเอียดแล้วแต่จะทันจนได้นะเพราะปฏิวัติไปนี่แปลกเหมือนกันนะไอส้สติปัญญาของเราเนี่ย ปฏิบัติไปปฏิบัติอินรีแก้กัไปทันกันจนได้เออแปลงกันนะไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะไปทันว่ามันจะแก้ไขกันได้แต่ทางของพระพุทเจ้าเนี่ยมันอัศจรรย์จริงๆนะพอมันสมุดดุลเป็นขึ้นเองเลยนะเนี่ยมรรคเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเราก็ไปเกี่ยวข้องนะไม่มีเราแต่เนื้อให้สร้างเหตุไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นเองถึงเวลาปฏิบัตินี่เราไม่ต้องไปไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มต้นให้ถูกต้องเลยสร้างเหตุไปเรื่อยๆ คนละแต่สภาวธรรมดีก็มีสติรักษาใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ดีก็มีสติรักษาใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วจิตเรามันจะเห็นว่าเ อ, อมันผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอมรรคก็ค่อยมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจิตใจก็เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยละความปรุงแต่งละความยึดมั่นถือมั่นจิตก็คลายออกเรื่อยไปนี่เป็นเองนี่เป็นขบวนการของมรร นี่ทางของผู้เจ้าเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าในมโนศาสนาอื่นไม่มีมีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะผู้ปฏิบัติถ้าไปถึงแล้วมันต้องเป็นองนถ้าไปถึงตรงตไหนเราจะฟังเ ข, เข้าใจถ้ามันยังไม่ถึงนี่ก็ฟังในเข้าใจแล้ว อ, อย่างคนที่เริ่มต้นใหม่ใหม่สติก็ยังยืดหลบไปนู่นหลุบไปนี่ตรงนี้หลบไปตั้งนานแล้วจะให้มันมาละอารมณ์ให้จิตเป็นกลางมันยังไม่ได้ก็ต้องฝึกไปก่อนก็ยอมรับว่าโอ้เรายยังใหม่อยู่ เราไม่ค่อยปฏิบัติสติเราอ่อนเราก็ต้องปฏิบัติสิก็ต้องพยายามมีสติทุกเนียบทตามที่ว่าเจ้าสอ น, เ, นเอาสีขาวบนหรือสีหน้ามาฝึก เ, เพื่อให้เราทันเจตนาที่มันจะทําสิ่งที่ไม่ดีได้จนจิตเราเป็นปกติเห็นได้ว่าสีขึ้นในจิตะที่ถ้าอย่างนี้มันก็ได้ผลเลยถ้าเราตั้งใจงอย่างนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาพัฒนาขึ้นมา ถาว่าเออเราฟังแล้วไม่เข้าใจเอาเราจะปฏิบัติเอามันเข้าใจให้ได้ถ้าอย่างนี้ก็มีกําลังแต่ฟังไม่เข้าใจ อ, อู้ฉันนี่เป็นคนงูบุญคงไม่มีรอไม่ปฏิบัติ ด, ดีกว่าไ อ, อ้อย่างนี้มันดูถูกตัวเองนี่ท่าเรียกประมาณนะเนี่ยดูถูกตัวเองเพราะเราเนี่ยเป็นคนแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าก็บอกด้วยว่ามีโอกาสแน่นอน ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความดับทุกข์พ้นทุกข์ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้ด้วยรู้จะบอกถ้าไม่งั้นแล้วนี่โอเกิดเสียเสียชาติเลยนะถ้าไม่รู้จักเป้าหมายของชีวิตของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อแสวงความดับทุกข์เสียชาติเกิดเลยเพราะงั้นใครที่กําลังหลงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่อแสวงความดับทุกข์เพราะไม่ว่าเกิดเป็นอะไรมันต้องทุกข์ตลอด ดูชีวิตของเราปัจจุบันนี้ได้เลยไม่มีทุกมีไหมมีใครบ้างที่ไม่มีทุกหามาเป็นตัวอย่างได้ไหมนอกจากพะอหลานทุกทางจิตใจมันไม่มีหรอกพ่อนั้นก็อาศัยปฏิบัติตามคําสอนของเจ้าหรือพระเรียเจ้าพระทรวนาบันเศรษฐีทาคามีนาคามีก็เบาบางทุกก็เบาบางลงมานะมันก็เที่ยวไปเปรียบเทียบอยังละไม่ได้บานาคาเมียคงนั้นเนี่ย เป็นพระาะเราเนี่ยยังไม่พ้นทุกท่านพ้นทุกแล้วใจมันก็ดิ้นหลนเหมือนกันมันยังมีผลต่อจิตแต่ไม่ถึงกระุนแรงเหมือนเหมือนคนทั่วไปนาะคนทั่วไปเขามีเงินมากกว่าเราหน่อยโอ้เขามีเงินมากกว่าเราคงจะมีความสุขเขาเที่ยวซื้อนู่นซื้อนี่ได้นู่นได้นี่เราไม่ได้อะไรเลยมันไปหมดเลยนะปูนแต่งมากมายแต่ของท่านนี่ของเราเนี่ยยังไม่ถึงมันก็มีอาการขึ้นในจิต หรวเราได้กว่าหรือไม่อยากให้เสมอกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่แต่มันเป็นแค่สภาวะในจิตตรงนั้นมันก็มีตัวตนอยู่ในนั้นมันไม่มากไม่รุนแรงแต่ถ้าปฏิบัติไปมันก็ทันพวงนี้หมดนะจิตที่มันออกไปปูงแต่งเนี่ยมันจะมีปรุงแต่งบ้างปรุงแต่งเพื่อระงับจิตของตัวเองนะทีนี้ปูงแต่งในธรรมเพื่อให้จิตของเราไม่ออกไปนี่แสดงว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านภายในฟุ้งซ่านในธารมจิตมันไม่พอดีอ่ะมันก็ต้องปรุงแต่ง เพื่อให้จิตพอดีมันถ้าทํางานแบบนั้นแต่ก็เป็นเพราะมันไม่รู้พี่เรียกว่าอริยสัจสีนั่นแหละคืออวิชชานั่นเองมันไม่มันไม่มันไม่รู้บริบูรณ์สมบูรณ์มันก็เลยปูนแต่งแต่ถ้ามันกําลังมันมากพอเนี่ยก็สามารถหมดทุกได้นะหรานกินได้นั่นเป็นพระหานแต่พระหานนั่จะต่างจากองค์อื่นจากไอ้ประเภทที่สามที่ผ่านมานั้นคือไม่มีอะไรปูนแต่งจิตได้ งานมันจบไปในจิตเลยเราจะไปปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ภาในใจอีกไม่มีละนุ่นละนี้ไม่มีอีกอันนี้มันจะมีในจิตเห็นในจิตเนี่ยท่านนี้ว่าปิญญาณของโบราณคือมันรู้ด้วยจิตดูเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นไม่สงสัยสบายาเรามีเหมือนไม่มีเดี๋ยวจ ะ, จะรายละเอียดมันก็มีอยู่อันนี้พูดไปตามหลักว่ามันมันมีอย่างนี้พลนภนาคามีเนี่ยเรื่องจากว่าท่านละลูปลดจินเสียงสัมผัสได้หมด เพราะ น, นอารมณ์ในโลกนี้มันถ้าไม่ต้องการเหลือแต่จิตตามดูแต่จิตเพราฉนั้นเวลาท่านตายไปเนี่ยจะไปเกิดอยู่นู่นพรหมชนสุทาวาแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นพรหมชนสุทาวาแล้วบรรลุธรรมที่นู่นเลยเพราะว่ามันละอารมณ์ที่มันมันมันจะมีแรงดึงดูด ก, กับจิตให้มันมาเกิดมันไม่มีมันไม่เอาแล้วนี่คือจะพูดในแง่อาการที่มันละได้มันละอุปาฏานได้ไม่ยึดอารมณ์ มาให้จิตปูแต่งเรื่องราวขึ้นมาก็ได้ด้วยมองในแง่สภาวะจิตก็เป็นกลางมากขึ้นแล้วธรระนั้นเป็นกลางตลอดบางทีก็มีความคิดเนะื้เห็นรุน่นเห็นยิ่คิดแต่มันไม่เข้าไปในจิตจิตก็ยังเป็นกลางอยู่อย่างนั้นมีสายกลางที่แท้จริงคือความเป็นพระันหมดกิเลสหมดทุกข์ภายในจิตจใจพูดถึงมาตั้งแต่ต้นนะว่าทางของเจ้าเริ่มจะมีสติสักสสก่อนสติสตินี้กําลังควบคุมจิตไว้ได้ ใจสงบลงไปบ้างยังไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นไรไรู้ว่ามันสงบต่อมามีสติสัมปัญญาเพิ่มขึ้นจิตเริ่มมีความมั่นคงขึ้นมาเริ่มเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวธรรมทั้งหลายจิตเริ่มคลายออกไปเรื่อยๆจนจิตตั้งมัน่นพร้อมกับอริยามรรคในองค์แปสมบูรณ์ขึ้นมาฟาหานกิเลสได้ครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ที่แง่ของผลก็คือว่าเป็นผู้ที่ มีความเลื่อมใสยอย่างลงไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดไม่หวั่นไหวแล้วก็มีศีลเป็นที่พอใจของพระเลียเจ้าเป็นที่ชอบใจหมายว่าศีลของพระเลียเจ้ามันอยู่ในใจเป็นศีลของพระเลยเจ้าแล้วนะท่านจะไม่ละเมิดศีลประเภทที่ศีลสิกขาบทที่เป็นศีลท่านไม่ละเมิดไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยเป็นอิสระเป็นที่สรนเริญ ข, ของวิญญาณชนมีพระเจ้าเป็นต้น ไม่มีความยึดมั่นถึงมันเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของของสมาธิะนี่คุณสมบัติของโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ที่เที่ยงต่อพระนิพพานเกิดดีไม่เกินเจ็ตฉากัาสิกิทาคามีครั้งต่อไปครั้งที่สองพระสังโยนในสามอย่างโลภะโทสะโมหะเบาบางลดลงไปเป็นผู้กำกับมาเกิดดีแค่ชาติเดียวไม่เป็นมนุษย์กษัตวดาครั้งที่สามพานาคามีบุคคลละตามมรรคาได้คือลูกลดกลิ่นเสียงสัมผั ได้ละปฏิฆาได้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเพราะมันละได้หมดแล้วอารมณ์ในโลกนี้ตายไปก็ไปเกิดปีในพรมเชนสุตาวาจแล้วบรรลุพระลานบนนั้นไม่กลับมาอีกพานาคามีส่วนพระลานหมดกิเลสหมดทุกข์ยังมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตไปแต่ชีวิตหาไม่แล้วก็คือดับไปเหมือนเทียนจุดเอาไว้เทียนไส้ก็หมดไปเทียนก็หมดไป ที่พึ่งหมดไปที่ไส้หมดไปแล้วไฟดับไปไหนไฟไปที่ไหนนั่นคือคําตอบว่าพระลานเมื่อสิ้นแล้วไปไหนเหมือนไฟเมื่อดับแล้วไฟไปไหนมันก็ไปตามธรรมชาติเรียกว่าดับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเออพอระลานเนี่ยกลับมาอีกอย่างงุ้นอย่างนี้อันนี้ดูจะไม่ตรกับสภาวะความเป็นจริงในพระ泰พิโดด้วยในจิตของผู้ที่บรรลุพลระลานด้วยเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรกรรมมาเกิดอีก แต่อาจจะมีว่าอนุภาพอย่างพระพุทธเจ้านี่ยถ้ามีอนุภาพมากท่านอธิษฐานจิตเอาไว้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นได้ด้วยมีพระองค์หนึ่งนะก่อนท่านจะมรณะ้าแบบท่านอธิษฐานจิตไว้แล้วก็สั่งไว้ด้วยว่าบริเวณนี้ห้ามผู้หญิงเข้ามาใกล้มันมีเป็นบริเวณที่เอาศพท่านวางไว้เนี่ยไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาทีนี้ก็มีอย่างมีคนลองผู้หญิงเข้าไปเนี่ยหายออกมาเลยนะเหมือนมีอะไรกระแทกออกมาอย่างนั้นเน่ะยหายพึ่งออกมาเลยเนี่ยคืออธิษฐานจิตไว้หรือไม่ให้เน่า ไม่ให้เปือยนี่อธิฐานจิตไว้อนุภาพของจิตกำลังของจิตก็ทำได้บางท่านบางองค์ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะดูมันจะมากไปให้ดูตัวเองกันหนก่นเนอะหันมาดูตัวเองมันเจ็บมันปวยมัน ทดสอบบางซิ่ว่าเออมันเจ็บมาเนี่ยเราจะทนได้แค่ไหนเนีเราเมื่อก่อนนี้ปวดนิดหนึ่งล้วก็อยากขยับแล้วคราวนี้เออลองอดทนนิดหน่อยดูว่าเราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนสร้างความอดทนขึ้นมาบ้างแต่ถ้าลองแล้วโอ้โหมันไม่ไหวอะทนไม่ไหวเจ็บมากจริงๆเลยนะจิตก็เริ่มไม่อยู่ละค่อยๆขยับได้ไม่ใช่ห่างขาดเลยนะ แค่เอาประโยชน์จากมันสักหน่อนมันเจ็บหรือร่างกายมันเจ็บนี่นะเรามาฝึกจิตดูสิจิตของเราจะมีความอดทนแค่ไหนหรืออย่างน้อยก็มันรู้ว่านี่ร่างกายเจ็บนะไม่ใช่จิตนะไม่ไปยุ่งได้ไหมอยู่กับจิตเนี่ยอยู่อยู่ตามลาพังได้ไหมถือว่าดูเฉยเฉยได้ไหมมันเจ็บอ่ะดูเฉยเฉยได้ไหมจ็บก็รู้ว่าเจ็บอ่ะทาได้ไหมนี่คืออดทนขึ้นมา เจบรู้ว่าเจ็ บ, จบนู้นก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่นะจิตก็เป็นผู้รู้ไปมีธนาก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปทั้งที่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตนี่ไม่ใช่ของเรานี่มันจะมีปัญญาตามมานะถ้าเอาเป็นมันจะเป็นธรรมหมดเลยนะถ้าเข้าใจเรื่องมีธนาเข้าใจเรื่องจิตเหมือนกันเลยอารมณ์นี้เกิดขึ้นก็ดูได้ตัวไม่ใช่ของเรารู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือมันยังอยู่แต่ไม่มีผลต่อจิตเหมือนมันดับไปจากจิต ก็ได้ไม่อยากจะไปห้ามมันนะไม่อยากให้มันเกิดงุหงิดเราบุญ น, น้อยเรื่งนี้อะไรไมีจะเจ็บจะปวดก็คืออยากเอาสบายบางทีเจ็บปวดแต่มันไม่ไปมันไม่ไปดูเลยนะมาดูจิตอย่างเดียวบางคนยิ่งเจ็บยิ่งปวดยิ่งชอบจิตนี้มีกําลังยิ่งแน่วแน่ยิ่งหนักแน่นในจิตบางคนนะอันนี้ก็คือมันแน่นแล้วเนี่ยิ่งปวดหนักเข้าไว้จิตนี้ยิ่งหนักแน่นอยู่ภายในอันนี้สำหรับมันแล้วแต่ การปฏิบัติของแต่ละคนบางคนมีทุกข์มากยิ่งจอยิ่งระวังอย่างที่ว่าเนี่เขาเข้าหลักกอบุเชียวทุกให้กําหนดรู้ม่ใช่ให้หนี้ะไม่ใช่กลัวไม่ใช่ไปตำหนิตัวเองเต็มที่แล้วใครปฏิบัติทำตามนี้ได้ก็ยังละบรรลุภะลานแล้วจบแล้วดับทุกพนทุกหมดแล้วอย่าหน้อยพระโสดาบันโสตาปนุผู้ที่บรรลุพระโสดาบันผู้เข้าสู่กระแส พณิาพานเข้ากะระแสอริยมรรตเรมีใครอยากถามอะไรก่อนไหมา ส, า ส, มมาสมพู ทัดซาราตรูชอได้ยพระองค์เอง